มูลเหตุแห่งการโจท6 273ยในหัวข้อเหล่านั้นมูลเหตุแห่งการโจดหประการคือพิกสุในธรรมวิเนยนี้ 1. เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้พิกสุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา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 และไม่ทําสิกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อการโจดให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจดเช่นนี้ ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการโจ์เช่นนี้ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั่นแหลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจ์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุหแ ห, ห่งการโจดที่เป็นบาป น, นั้นแลยืดเยื้อต่อไป การละมูลเหตุแห่งการโจท์ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการโจท์ที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอละ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรนีละ 4. เป็นผู้โอ้วอวดมีมายาละ เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิละหกเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นละสิ่งที่ตนถือมั่นได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นไม่มีความเคารพ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 พึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการโจดที่เป็นบาบนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจดเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการโจดที่เป็นบาบนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการโจดที่เป็นบาบนั้นย่อมมีได้ และมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งการโจทย์หกประการนี้แหล